คำถามที่ขน้อยจะถามนี่เป็นคำถามที่พี่น้องสาวาวเราหรือว่าสังคมคนเรามีความสนใจหลายคนบอแมนคำถามของคนค น, คนเดียวเป็นคำถามของคนหลายคนได้ฮิปโฮมฝากมาให้ขหน้อยฉะนั้นเพื่อเป็นการนานาเข้าสู่รายการทีวีลาวตางแดนข้น้อยขออนิญาตขับน้ำประการคู่บาอาจารย์ เพียร ผ, ผ่านประการใดก็ขอเอาหมอซีพวกเขาน้อยผู้จัดทำรายการด้วยเขาน้อยอคำถามที่หนึ่งนี่เพื่อนฝากมาถามว่าความหมายสุดยอดและสำคัญของพระพุทธศาสนานี้แมนมีไห้เพื่ออย่างกันแท่เพราะว่าศาสนาใดก็มีการเหตุบุญสิ่กินทานหายทานคือกัน และศาสนาพุทธในแตกต่างจากศาสนาอื่นบอหรือมีอย่างทีนอกเหนือไปกว่านั้นข อ, อนิมลหลวงพ่อด้วยสวยให้ความกระจ่างแจ้งก่อนคามจริงคำถามที่ผู้ใหญ่ให้มาทั้งหมดเนี่ยมายังบทใดน้นหาคาตอบหาคำตอบมูลนียมเด้อบอกว่าเวลาคนหาคำตอบแต่ว่าคำตอบอยู่ในหัวกันแล้วว่ า, วาสิ่ง จุดประสงค์หรยสิ่งสําคัญในพุทธศาสนาเนาะมันคือสิ่งใดนะข้อจริงแล้วพุทธก็บอกในตัวพุทธศาสนาคําสอนของผู้รู้พุทธะไปว่าผู้รู้เนาะคำสอนของผู้ตื่นแล้วคําสอนของผู้เบิกบานแล้วเนี่ยผู้ใดก็ตามเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานที่มาสอนลึงนี่เป็นผู้ตื่นรู้เบิกบานอิริเนก็หมายความว่าเป็นคําสอนของเพื่นผู้นั้น ที่เพื่อนก็เอาประสบการณ์คือผู้ตื่นแล้วเบิกบานแล้วนี่รู้แล้วน่ยมาถ่ายทอดให้คนทั่วไปแต่ว่าเจ้าชายสิทธัตถ์เนี่ยเป็นผู้คนพบภาวะพุทธานี่นะนั่นคาว่าพุทธานี่พระพุทธเจ้ า, าหรือเจ้าชายสิทธัตถ์หรือมหาสมนาโคตมานี่บดได้ตัง้งเจ้าของว่าเป็นผู้รู้ <c oughs> แต่ผู้ได้รับผลประโยชน์จากคําสอนเพืเน่นแล้วเกิดรู้ตื่นเบิกบานขึ้นมาก็เลยไปยกย้อหรือว่าไปให้คําสนอเสื่นเพิ่นว่าเป็นพุทธ เราเจ้าของกำว่าปฏิบัติธรมนั่นภาวะรู้ตื่นเบิกบานนั่นถือว่าเป็นที่พึงของมนุษย์มนุษย์ทุกคนต้องการที่พึงพึงอันสูงสุดนะแต่ว่าตอนแรกเกิดมาทุกคนนี่ก็ไปพึงอันอื่นแหละพึงพ่อพึงแม่พึงพี่พึงน้องพึงปลาใหม่พึงภูเขาที่เขาสวดกันว่าไอ้กระหุงเวศดังยันติเนาะ ปปตาดิวนานิจัอารามรุขาเจตยานิมนุษย์าปยาตติตามนุษย์เป็นอันมากมนุษย์หลวงหลายในโลกเนี่ยเมื่อถูกให้ความเกิดความแก่ความเจ็บความตายคู่ค้คำแล้ ว, วเกิดไพ่ทิบั ต, ติต่างๆคู่ค้คำแล้วอาศัยป้าใหม่ผู้เขาเจดีที่พึงยังต่างๆว่าไปที่พึงที่พึงบอกว่านั่นโบมเมนที่พึง่งแต่ที่พึงกันสูงสุดน่ยพุดท่าน โยพุทธันจะทำมันจะสังคัญจะสรณะังคโตุจะตริอริยสัจะณิสมะปัญ ญ, ญาจะประสติผู้ใดก็ตามเข้าถึงตัวผู้รู้ผู้ตืน่นผู้เบิกบานผู้นั่นซึ่วได้เข้าถึงอริยสัจีเมื่อเข้าถึงอริยสัจีก็คือเข้าถึงผู้รู้ผู้ตืน่นผู้เบิกบานผู้นั่นจะมีที่เพื่อนันสูงสุดเอตังโคสรณะนังเคมังนะนั่นแหละเป็นที่เพื่อันสูงสุดดังนั้นเป้าหมายสําคัญที่สุดของพุทธศาสนาก็คือ เป็นที่พึงพระดนันจิตใจของคนแต่คนมีที่พึงทระดันชิตใจแล้วก็สามารถที่จะรอดพ้นจากทุกทั้งปวงได้แต่ที่พึงทระดันชี้ใจนั้นบอมันสิ่งภายนอกแต่แม้นสิ่งภายในคือภาะวะรู้ตื่นเบิกบานนะถ้าหากว่าเข้าถึงตัวผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานได้แล้วคนนั้นก็ถือว่าเข้าถึงสาระสำคัญสุด ข, ของพุทธศาสนาแต่ถ้าหากว่าบอสามารถเข้าถึงสาระรู้ตื่นเบิกบานอย่างแท้จริงแล้วผู้นั้น ยังบวมทีพึงก็ยังไปพึงเหลืองภายนอกอยู่เดี๋ยวยังทุกอยูยอย่ที่นี่ปัญหาสําคัญว่าเขาจะเข้าถึงภาวะรู้ตื่นเบิกบานได้อย่างไรอันนี้พุทธเจ้าเป็นก็เลตัดถึงเหลืองมักเอาไว้มักนื่นหมายถึงสมถากวิปัสสนาถ้าหากว่าจะเข้าถึงมากที่จะเป็นที่พึงได้ที่เข้าถึงสาระพุทธศาสนาจําเป็นต้องปฏิบัติทางสมถาวิปัสสนาสมถะคือปฏิบัติในการ รักษาจิตให้สงบบ่ให้ไปถุกในกับสิ่งต่างๆเฉพาะคราวชั่วคราวเท่านั้นแต่บ่าาสามารถจะพ้นถุกถาวรได้คือเป็นการาาบา่ข้ามได้คือกดไหวคมไหวขบคุ้มไหวเท่านั้นบ่ให้ถุกหลายแต่อยากจะให้ตัดได้เด็ดขาดต้องไปสู่วิปัสนาวิปัสนาแปลว่ารู้แจ้งในปัญหาต่างๆที่เกิดรู้ที่มาที่ไปรู้เหตุเกิดของทุก ดูการดับทุกวิธีการดับทุกแล้วอันนั้นแหละเป็นจุดธชุดยอดของอสาระสําคัญของพุทธศาสนาคำนะคําว่าทนะุกที่หลวงพ่อหมายถึงเมื่อกี้นี้เป็นทุกทั้งกายทั้งใจหรือว่าทุกในฐานะทุกแบบใดก็ไดอทุกจะมีสองทุกทุกทา้งกายก็เอื่อว่าทุกทุกทั้งใจก็เอื่นว่าโทมนัสนะ โทมนัตคือความบอสบายใจนี่ทุกทั้งใจทุกใจเวลาเขาสวดทุกขะโทมันัสนั่งทุกขะคือหมายถึงความบอสบายกายโทมนัตหมายถึงความบอสบายใจที่นี้ความบอสบายกายนี่ก็หนึ่งมาจากความบอสบายใจบางเทื่อการความบอสบายกายเกิดขึ้นเพราะอาศัยเรื่องซีประการเนี่ยสาเหตุของทุกทั้งกายคือกรรมคือการกระทําของเขาเอง จิตคือความคิดของเขาเองดินฟ้าอากาศห่อนจัดหนาวจัดก็เป็นตัวทําให้กายไปทุกข์กรรมจิตอุตุแล้วก็อาหารที่เขาบริโภคสิ่งที่ทเขาบริโภคเข้าไปนี่สามารถทําให้เกิดทุกข์ได้อิ่มจัดบ่หิวจัดบ่ อ, อาหารสแสลงบ่กินแล้วอาหารบดีเป็นลมก็จะ เ, เกิดทุกข์กรรมเขาว่ากรรมในที่นี่คือคือว่าเข้าไปเหตุอ่าสิ่งที่บดีเดินไปไปสะดุดหั้ไม่ตีนแตกนี่ก็ถือว่ารกรรมบดีแล้วเนี อหรือว่าไปกายกรรมวจีกรรมไปดาไปตีไปสั่ยนิ้นท่ากาเล่ผู้อืน่นไปเสียศีไปโกหกพูดปดหมดเทศพวกนี้ก็ถือว่าเป็นวจีกรรมบุรีก็เป็นทุกเห็ุนี้เขาเป็นทุกนะอันนี้แล้วมโน ก, กรรมก็คื อ, คอจิตกรรมจิตอุกรร ม, จ, รรมจิตนี่ก็เขาคิดในทั้งบุรีก็เป็นทุกเพราะยังเมื่อคิดายเข้าหลายเข้ า, า, ขากินบนุได้นอนบุรับร่างกายก็เกิดความปันปวนบุญไหว่เพราะ กายกับใจไม่เกี่ยวข้องกันเมื่อกายเมื่อใจบรสบายกายก็บรบิสบา ย, ยอันนี้เขาแก้ด้วยกันปฏิบัติสมถวิปัสนาหลวงพ่ออธิบายไปเมื่อกี้นี่ว่าพุทธโคไปว่าผู้หู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วมันนี่นี่เขาเขาหู้เขาตื่นเขาเบิกบานแล้วเขาสิบทุกท่ามีคนถามขึ้นมาว่าเขาจะทุกข์วยฐานะดิยากจนดิ มันจะเกี่ยวของกับทุกอนานถะทั้งาศาสนาด้วยวิธีใดก่อนนี่หมดทุกเพราะทางด้านฐานะอยากจุดต่างๆก็ทุกเพราะว่ามีความขี้เกียจอยู่ในจิตใจนี่นะคือมีความประมาทตัวนั้นไปมีความประมาทคือมาจากจิตไม่จะคิดกรรมการงานการกรรมทําให้คนเป็นทุกข์เพราะว่าเข้าทํากรรมบดีนะกายทิจริตวจีชุจริตมนุษย์ทุจริตอันนี้ก็กรรม กายทุจริตก็รวมไปถึงความประมาทความเกียจข้านความบอชมุจักรักษาทรัพย์ความบวชเอาใจใส่ขยันหาทรัพย์คนนี้ก็เป็นกายกรรมเป็นกายทุจริตอันนี้เป็นกรรมอหนึงเท่านั้นนะเพราะฉะนั้นความทุกข์ที่มาจากความตาาา่างฐานะรักฐานอันยังต่างๆก็มาจากกายทุจริตกายกยกรรมวจีกรรมการใส่คําพูดการใช่ว่าจารวถกุก็เป็นเหตุให้บวเป็นเหตุให้ ดบดทรัพย์สินมาตามตองการมาโนโทุจริตคิดปรึกสติปัญญาบอดีอก็เป็นมโนโุษทุจริตก็บริสามารถแสวงหาทรัพย์ได้ตามต้องการก็เป็นคนยากคนจ น, นความแตกต่างฐานะก็เกิดขึ้นหนึ่งมาจากกรรมทั้งสามนอนอม่ได้คอนะคือเขาถูกฐานะอยู่แล้วแล้วเขาอุกใจแบบนี้เนี่ยเขาสิดับถูกดับอุกใจของคนมีถานายากจน ด, ด้วยวิธีการอย่างไรก็ อ๋อความทุกเนี่มันเป็นเหตุนี่บอระแต่มันมันเป็นผลแต่ว่าจากเหตุว่าเขาจะดับความอยากความโจนได้ก็จะต้องเปลี่ยนกรรมเปลี่ยนกรรมคือหมายเขาว่ากรรมที่เขาเคยเทำบอดีว่าบอดีคิดบอดีเปลี่ยนนะเป็นทำดีสมมติว่าเขาขี้ข้านหันมัคยันขี้ข้านเนี่นเป็นอกุศลกรรมมันบอระหันมัคยันก็นเป็น ก, กุศลกรรม เปลี่ยนจากอากุศลมาเป็นเคยเว่าวดาเว่าแสงวา่าวปศมดเทศกับหันมาเว่าวความจริงหันมาเว่าในทางที่เป็นคนอื่นเขาหักคนอื่นเขาสงสารทันทีหาไปเว่าในทางให้คนอื่นเขาเกียดเขาช่างเขาเบื่ชอบเป็นอกุศลกรรมคนกับบ่มักคนโคมักไปทำมาหากินอย่งกบับบ่ได้หรือเขาบ่หลับเขางานนี่ยหรือไปทํางานแล้วปรากฏว่าทํางานแล้วเขาเบิ่งแล้วเป็นคนบ่จริงใจเป็นคนขี้ขานเป็นคน บ่อสื่อสัดตอเจ้าตอไยทั้งซี่ก็ถือว่าเป็นอากุศลกรรมถ้าเปลี่ยนว่าเป็นความสื่อสัตย์มาเป็นความขยันเป็นคนมัธยัติเป็นคนที่ดูแลรับผิดชอบต่างๆอันนี้เปลี่ยนมาเป็นกุศลกรรมการวิธีแก่ความยากจนความทุกข์อกใจต่างๆคือเปลี่ยนจิตใจเจ้าของเปลี่ยนการกระทําเจ้าของมันก็จะดีขึ้นมากเนี่ยจากขอบคีารมาเป็นรู้มันเป็นมันเป็นรู้ขึ้นมานั่นเป็นกุศลกรรมแล้ว นั่นแก้โดวยวิธีการเปลี่ยนกรรมอ่านะขอโทษ อ, อ, อ, อ, อ, อ่มีปัญหาตัวที่สองก็จะถามมาว่าคำว่าบาปบุญอ่มันแตกต่างกันอย่างไรแล้วก็สามารถซื้อได้ด้วยเงินบ่อเพราะว่าในปัจจุบันนี้ด้มีการอ่าให้ท่าน กัญญางหลวงหลายว่าสามารถเฮตไทยเป็นบุญได้และบนี้มีคนถามมาว่ามันแม่นแท้เพราะว่าบุญนี่ซื้อได้ด้วยเงินและบุญกระบาปมันแตกกลางกันอย่างไดขอข อ, ขอนุโมทนาความจริงแล้วบุญกระ บ, บากนี่ถ้าจะว่าไปนี่มันก็คล้ายกับว่ า, านำดีกับนำเสียเนาะ หรือว่าแสงแสงสว่างก็มืดบุญแปลว่าสิ่งที่เฮ็ดให้จิตใจเขาสูงขึ้นจิตใจเขาสบายขึ้นจิตใจเขาเต็มบาปในทําให้จิตใจเขาตกป่าป้านในแปลว่าตกเลจิตใจเขาตกเขาตกใจหรือสิ่งที่เฮ็ดให้เขาใจตกว่าความรู้สึกมันตกลงไปจากความสบายแต่ความสบายความอบอุ่นความเออบิมเมื่อความเออบิมความสบายใจมันตกลงไป แล้วหมายความมันบระยุนในใจสิ่งที่เขามาแทนก็คือความวิตกกังวลความเดือดร้อนความหู้สึกขาดแค้นความหู้สึกบาสบายต่างๆมันเกิดขึ้นมาแทนพิ่มถูกทั้งใจเพิ่มถูกทั้งใจเนี่ยเอเป็นบาป ค, ความบม่สบายความไม่สบายใจความบาสบายใจเนี่ยเป็นบาปเพราะฉะนั้นเอาแอบไปเหตุอะไดที่ว่าบอดีเนี่ยคนอื่นบ่หู้แต่ใจของหู้เองใจของหู้มันกระตุกไปจากปกติจิตใจที่มันเห็นอย่างด้วยความเต็มใจ เฮ็ดยังด้วยความาเต็มกำลังด้วยความอบอุ่นด้วยความซุขเนี่เป็นบุญหนึ่งบอระที่ได้หาว่าเฮ็ดยังด้วยความบ่เต็มใจเฮ็ดด้วยความที่ใจมั่นบ่มีความสุขถือว่าเป็นบาปด่เฮ้าทิจใจครับบ่มีความสุขถือว่าเป็นบาปแล้วเป็นเหตุนะในเมื่อจิจใจครับบ่มีความสุขทิจใจเขาวิโตกังวลการเว้ากัออกมากรเป็นเป็นบาปการเฮ็ดออกมาก็เป็นบาปคือเหตุให้คนอื่นเบิงแล้วเนี่ยคนอื่นกับบ่สบายใจนะมึงจะเนี ถ้าหากว่าวาจ่าเขาเป็นบาปไปว่าเขาผู้อืน่นผู้อื่นกะบรสบายใจนําเป็นบาปเอาบาปไปให้คนอื่นแล้วดังนั้นการประพฤติดีด้วยกายว่าจาใจเป็นบุญการประพฤติชั่วด้วยกายว่าจาใจนี่เป็นบาปบุญไปว่าทำให้จิตใจสูงขึ้นบาปไปว่าให้จิตใจต่าลงต่างกันที่สัน้นกับกัน ที่นี่ที่ว่าที่ว่าซื้อได้งเงินบ่บริคือบางคนก็จะมีความน้อยใจนะคือใครทานน้อยหนึงบวีเงินหลายแล้วคนหนึ่งคนหนึงนทานหลายมันอัอนนั้มันสามารถเงินที่สามารถให้ความแตกต่างในการเทิดบุญในบ่นบออะไรอหรื อ, อมันเกิดอยู่ที่ใจมันเรื่องเกิดการอันนี้เป็นเรียกว่าการที่จะเป็นบุญเป็นบาปอยู่ที่เจตนาถ้าเจตนาเป็นบุญแม่ทำบุญแม่ระบิด ม, มิต่างสักบาทเดียวก็ได้บุญ แต่ถ้าเจตนาบบถึงนั้นบางที่ทาบุญหลวงหลายเป็นหมื่นเป็นแสนบางที่กรบบเบุญก็มีเพราะยังเพราะว่าจิตใจเนี่ยเป็นผู้รู้เป็นผู้สร้างนะถ้าหากว่า <c oughs> เขาตั้งเจตนาเช่นว่าเา้า <c> ท <oughs> าบุญ ด, ด้วยกายเขาซอยเขาอย่างขมาปฏิบัตินเนาะเขาซอยอาทาความสะอาดเก็บหันเก็บนี่เขาซอยนั่นด้วยด้วยน้ำใจด้วยกายอาซอยมา คนอื่นให้เกิดความสบายเนี่ยมันเป็นบุญแล้วซึ่งโดยเจตนาดีซึ่งบุนดะได้เสียงเงินเลยแต่ว่าหน้านี้มันไกลออกพรรษาหน้ากระถินกรปาเนาะซ่องกระทินกรปากระเข้ามาวนนอนๆ น, นแล้ววันนี้ที่นี่ก็ล้งขั้นเอาไ่ไปหาเหรียญชิเหรียญแต่อันนี้เจตนาบด่ดีเจตนาให้ผนความล้งขั้นปัดให้มันพนซะก็ได้บุญก็อกันได้น้อย ทอาทำโดยบุท ธ, ธาเพราะนั้นจะ <c oughs> จะว่าไอ้เขาจะทําบุญได้บุญหลายหรือบุหลายอยู่ที่ศรัท ธ, ธาหน่อยศรัท ธ, ธาหลายบุได้ขึ้นอยู่ว่าเงินหน่อยเงิงนหลายแต่ใส่เงินหลายแต่ศรัทธาหน่อยแกได้บุญหน่อยคืนนอนเขาแต่ใส่ให้หน่อยแต่ศรัท ธ, ธาหลายแกได้บุญหลายคืนอนเขาเพราะเด้นตัวศรัท ธ, ธาตัวศรัท ธ, ธาเป็นตัวสําคัญที่นี้ศรัท ธ, ธามันมีสองแบบโอ้ศรัท ธ, ธาในการทําบุญ แต่ว่าสาธุเดอร์เขาผู้ขาทำบุญครั้งนี้ก็ขอให้ได้ชูมวยเลอยเบอร์และนี่ก็สัทธาขึ้นกันแต่ว่านี้ทำบุญแบบแลกเปลี่ย น, ยนสัทธาแบบแลกเปลี่ยนย่นี้อันนี้เขาเรียกสัทธาบอบริสุทธิ์สัทธาเป็นประกอบด้วยโลภะโทสะโมหะสัทธานี่ก็จะบกพลองไปสัทธาบอบบริสุทธิ์ก็ได้บุญน่อยลงไปแต่บางคนโอท้ทำบุญครั้งนี้ขอให้ได้มักผลนิพพานพิธีต่างเดออันนี้ก็สัทธาสูงขึ้นมาก ก็ได้บุญหลายศรัทธาสูงพอเราไปหวังในส่วนดีโดยความโลภโกรธหลงเนี่ยเป็นศรัทธาที่ต่าเป็นศรัทธาที่เศร้าหมองแต่ถ้าหากว่าเราทําบุญโดยศรัทธาที่บโโลกบ ก, ร, ก ร, ลนนบริสุทธิ์จะได้บุญหลายอยุบะหวังยังเที่ยวเนี่หวังแต่ให้จิตใจพ้นทุกข์นะหวังให้จิตใจเยือกเย็นถ้าบุญไปล้านไปนแสนอเอาอยังขอให้จิตใจบริสุทธิ์นี่ก็ถือว่าบุญนั้นบริสุทธิ์ศรัทธาแรงดังนั้น อ่างนิยมทั้งหลายที่เขาเข้าใจพุทธศาสนายังขาดเคลื่อนอยู่ก็คือว่าเขาแข่งกันทั้งบุญเออเวลาทอดกระถินเสร็จแล้วเขาไปได้เท่าไดคูบาปีนี่กระถิ่นคนไม่ได้ถามว่าได้บุญเท่าไร ไ, ได้ยอดเท่าไรสามแสนบัวห้าแสนบวัสนบ ว, า ส, บวาสามหมืน่นวหาหมืน่นมันกลายเป็น <c oughs> ขานิยมนี่เขาเรียวกว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิขานิยมในสังคมมันพิษแทนที่จะไปเน้นที่ความสะอาดบริสุทธิ์ของจิตเน้นความศรัทธา จะมีศรัทธาอย่างไหนก็เลยเหตให้การทาบุญมันพิษแผกแตกต่างไปโดยอํานาจของสมาธิศรัทธาก็เปลี่ยนไปศรัทธาก็บบริสุสทธิ์ศรัทธาประกอบด้วยความโลภโกรหลงทบุญหน่อยนึงอยากได้หลายแต่ทบุญแล้วต้องการหน้าต้องการตาต้องการชื่อต้องการเสียงเป็นโลภจริตมืดบุญแบบนี้เรียกว่าศรัทธาเบริดศรัทธา บ, บริสุทธิ์บุญกระพริบบริบริสุทธิ์ไปนํา ศรัทธาคือความพ่อใจความสมัครใจศรัทธาคือความอิ่มใจในการให้ความพ่อใจในการให้ความมั่นใจในการให้แต่ว่าศรัทธาในพุทธศาสนานั้นมันแะบอคือศรัทธาทั่วไปได้วศรัทธาในพุทธศาสนาแท้แท้มันมีกำหนดไว้แค่สีอย่างหนึ่งเชื่อของเชื่อละกฏของกรรมว่าเขาให้ว่าเนี่ยเป็นข่านการทำำํากรรมดีให้ด้วยกายให้ด้วยวาจาให้ด้วยใจให้ด้วยทรัพย์หรือให้ด้วยธรรมกั คือว่าเป็นกรรมสัทาให้ด้วยจิตที่เป็นมโนโกรรมที่ดี <c oughs> กายกรรมที่ดีว่าจีกรรมเช่นว่าเข้าไปเฮ็ดให้คนอื่นว่าให้คนอื่นเกิดกําลังใจที่ก็เป็นกรรมดีละ่ะบวหาจะได้ให้เงินแต่บางที่ให้เงินไปแต่ว่าบริเวณให้ใจเขาดีทั้นี้ก็ถือว่าสาทัทธายังบ่กบริสุทธิ์แต่ใส่คําเว้าใส่การการะทําที่เกิดให้คนอื่นสบายใจให้คนอื่นอุอ่นใจอิ่มใจ นี่ก็ถือว่าได้บุญแล้วนะการทำบุญนี่เป็นการวิธีทําที่ฉลาดคือบทองเสียงเงินแต่ว่าใช่กายใช่ว่าจจใช่ใจเนี่ยเป็นตัวทำบุญจะให้กําลังใจให้กําลังกายให้กําลังใจแต่บางคนมีทรัพย์มีศินพ่ออยู่พ่อกินก็ให้ทางวัตถุพร้อมก็ยังได้เติมเงินไปนะเหมือนให้นา้าแล้วงพ่อให้ปุ๋ยพร้อมบุญเนี่เหมือนนา้าวัตถุก็เหมือนปุ๋ยใส่กัเข้าไปน้ำกันนะอันนี้ก็คือว่าบุญนั่น หรือกรรมนั้นบรสามารถจะซื้อหรือว่าเปลี่ยนได้แต่เขามาเปลี่ยนเจตนาเขาได้สำหรับทานปฏิกรรับชมรายการทีวีลาวต่างแดดในปัจจุบันนี้ข้าพเจ้าได้ถามขาบไมาสการาถามธรรมะพระอาจารย์เพิดมาได้สามคอแล้วเขามีคำถามอยู่ สิบเอ็ดข้อแล้วต่อไปนี่นี่มีผู้ถามมารู้สึกว่าเป็ น, นคำถามที่ยาวในหนึ่งก็งน้อยขออนุญาตถามเลยว่ามีหลายศาสนาในโลกมนุษย์เท่านี้แล้วแต่ละศาสนาจอย่างศาสนาหลายศาสนาก็บอกว่าเพื่อนหันเป็นผู้ที่สางโลก แต่ในทางพระพุทธศาสนาเขาบอได้บอกว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้สร้างโลกซึ่งแตกต่างกับศาสนาอื่นบอกว่าด้วยวิธีใดเกี่ยวกับการสร้างโลกโดยเฉพาะว่าศาสนาพราหมณ์ก็บอกว่าพระพรหมเป็นผู้สร้างโลกศาสนาอิอสลามก็บอกว่าไม่พระอโลเป็นผู้สร้างโลก ศา ส, สนาคริสต์บอกว่าพระเยซูคริสต์เป็นผู้สร้างโลกโบยอหัวบอกก่อนนเป็นผู้สางโลกและบัดนี้นี่ทัศนาพุทธเขาบอได้กล่าวถึงผู้สางโลกเนื่องมาจากแนวใดลาแม่นไพร์เป็นผู้สร้างโลกกันแท้อันนี้นี่ก็เจ้าถามมาตื่นอีกว่าถามมีผู้สางโลกขึ้นมาเแท้ เป็นอาผู้สร้างโลกจังค่อยให้มนุษย์เฮามีความแตกต่างกันบอสร้างให้มันคือกันเนย่าคอยสร้างปัญหาขึ้นมาสร้างความเสื่อถือที่แตกต่างกันสร้างคนให้มีปมด้อยในความเปลี่ยนยูเส้นลางคนกัมีฐานะที่ดีเกิดขึ้นมาแล้วลังคนเกิดขึ้นมากัเป็นเปียเป็นรอยเสียองค์ฆะบุษบุประกอบเป็นความทุกในกายข้าเจ้า ถ้าสร้างได้เปียงบอรสร้างให้คือกันอันนี้ข้าเจ้าฝากคาถามมาเขาหน่อยบอูฮัวมันจะเป็นนสมควรแ ก, ก่คําถา ม, ห, มหรือบอกระคอนิมน์นั่นนะหลวงพ่อได้สวยออกข้อคิด ก, ก็เป็นเขาหน่อยความจริงเรื่องนี้ก็คือว่าผู้สร้างโลกเข้า่าพระเจ้าเนี่ยมันเป็นคําที่มีปัญหาคําว่าพระเจ้าใน ศาสน า, าอื่นเนี่ยถ้าหากว่าเป็นบุคคลเขาเรียกว่า personalization เนี่ยเป็นตัวบุคคลก็มาถือว่ามีตัวมีตนแต่ในพุทธศาสน า, าเขาก็มีผู้สร้างคือกันผู้สร้างคือว่าที่พรุทธเจ้าตัดเอาไว้ว่ามนุปุพพังเข้ามาธรรมามนุเสถามนุยมายาเขาว่ามนุยมายาเนี่ย my is creator จิตเป็นผู้สร้างจิตเป็นนา่จิตเป็นประธานบมนบม น, นว่า god is เคลียเจอคุณแม่ว่าจิตนี่เป็นใไ่จิตเป็นปานจิตเป็นผู้สร้างดังนั้นต่อมาว่ากรรมสัตวิภัสติกรรมย่อมเป็นผู้จําแนกสัตว์ทั้งหลายเพราะจิตเนี่ยเป็นโดยสร้างกรรมเร็วมนุกรรมดังนั้นในศาสนาอื่นเขาว่าพระเจ้าถ้าหมายถึงตัวบุคคลหมายถึงผู้ใหญ่สูงสุดมีอํานาจสร้างทุกงทุกอย่างแต่ในพุทธศาสนาพระเจ้าหมายถึงตัวจิตที่เป็นประมัดจิตไมเป็นประมัตถ้จิตนี่หมายความว่าจิตที่สร้าง ไอ้ความบริสุทธิ์แล้วหลังจากนั้นถ้าหากว่าไปทำกรรมอะไรขึ้นมากรรมนั่นก็จะเป็นผู้สร้างจำแนกไปตามสมมติว่าถ้ามาคิดอยากจะทำกรรมบดีเนี่ยมันก็แยกไปเป็นสัตว์อบายพุ่มจะคิดในการประกอบกัมดีกาสร้างให้เกิดในสุขภูมิสุขติแต่าคิดว่าโอ้อยู่ในอบายพุ่ก เวียนมาเกิดในสุขภูมิสุขติภูมิถ้าไปเกิดในสุขติภูมิจะเกิดเป็นมนุษย์เกิดเป็นเทวดาอินพุ่มเนี่ยเดี๋ยวมดกรรมมดบุญกุศลแล้วเหกลับมาในบยมพุ่มเป็นเปรตอสุรกายสนนรกคือกาเวียนไปเวียนมาผู้ที่รู้เห็นกฎอันนี้แล้วคนก็เลยอยากจะไปให้พ้นจากบุญจากบาปตรงนี้จิตบริสุทธิ์ก็เลยเอื่นว่านิพัาน์นั่นในพุทธศาสนาอื่นวานิพัาน์แต่ในศาสนาอืน่นอาจจะเรียกว่าพระเจ้า เขาจิงนิพพานกับพระเจ้าเนี่ยอาจจะเป็นโคตสูงสุดแต่ว่าศาสนาอื่นอาจจะเรียกพระเจ้าแต่ในพุทธศาสน า, าอื่นว่านิพพานอันนี้ในแง่ของปรมัติตนะแต่ในแง่ของสมมุตินี่ถ้าหากว่าเจ้าของศาสนาเนี่ยถ้าเข้าใจศาสนาเขาเองก็คือตัวพระเจ้าขึ้นมาโึงจิตเนี่ยเป็นผู้สร้างเป็นปรมาจิตได้สร้างสวรรค์ก็ได้สร้างนรกก็ได้สร้างนิพพานก็ได้แต่ถ้าหากว่าเขาเข้าใจว่าเป็นสมุติแล้วเขาก็จะเห็นว่าเป็นบุคคล ซึ่งปบทลงกับพุทธศาสนาทามาเรียกว่าพ่ะพุทธเจ้าคือผู้รู้กฏอันนี้เรียกว่าพุทธเจ้าแต่ตัวกฏอ น, นี้เป็นพระเจ้าคือตัวความจริงอันชูงสุดได้แก่ปรมัตา์ดังนั้นจิตเป็นผู้สร้างสร้างอย่งสร้างกรรมเรียกว่ามานกรรมและกรรมนี่ก็ไปจําแนกแยกสัตว์อีกเท่านึ่งซั์ทั้งหลายจึงเป็นไปตามกรรมเพราะจิตเป็นผู้สร้างกรรมแต่เมื่อใดจิตบ่ยสร้างกรรมบ่มีมนกรรมแล้วก็อเอื่นว่ากตาตากรรม ในกตัถ ก, กรรมนี่หมายเขาว่าทึงจิตใหยถึงไปก็บอเป็นกรรมคือจิตของพระรหันจิตของผู้ทีเจ้าเรียกว่กากตัถกรรมกรรมนั่นบอกเป็นบุญบอกเป็นบาปเพราะฉะนั้นเราต้องสร้างเอาจิตเนี่ยมาพัฒนาจนไปถูงความบริสุทธิ์สูงสุดเป็นกตัถ ก, กรรมเลยจิตที่เป็นพระราหันตรง น, นั้นคือไปเหนือกรรมดังนั้นในพุทธศาสนาจึงมีจิตเป็นผู้สร้างแต่มีกรรมเป็นผู้จำแนกสัตว์ แยกสั้ให้เป็นผู้สูงผู้ต่ำผู้ด ำ, ผ, ดำผู้ขาวผู้จนผู้รยผู้ปกติผู้พิการต่างๆนี่ขึ้นอยู่กับกรรมที่ทำมาแต่ว่าในาศาสนาอื่นในความหมายของพระเจ้านั่นก็อาจจะเป็นเป็น personality personalization เป็นบุคราธิฐานซึ่งเขายังเขากับคนก็ซับสนในเรื่องนี้อยู่แต่ใ น, นพุทธศาสนาไม่ซับสนเพราะจิตเป็นผู้สัต คำถามมนะันที่ถามมาหันหมายคาอว่าจิตแม่นผู้ใดสร้างจิตจิตมาได้ใส่ถ้าพระเจ้าเป็นผู้สร้างโลกพระเจ้ามาได้ใส่ผู้ใดสร้างพระเจ้าอันนี้นนคือคือคําถามที่ที่ที่ขาเจ้าสนใจอาจาหลวงพ่ออธิบายถึงเรื่องจิตและจิตมาจากใส่จิตจิตมนุษย์จิตคนนี่มาได้ใส่ ถ้าพระเจ้าเป็นผู้สั่งแล้วพระเจ้ามาแต่ใส่ไผ่สั่งพระเจ้าอนี่มีเสียงตัวมือบอ่ <laughs> เสียงตัวมือมาแต่ใสเสียงตัวมือเนี่ยมาแต่ใส่คนตบมื่อกี้นียี่เสียงก่อนหน้านี้เสียงตัวมือมีอบอ่มีออตอนนี้ยังมีอบอ่ ก็มีเสียงโต้เมื่อเกิดจากอย่างเกิดจากจิตนะเกิดจากการกระทบนะจิตสั่งมือมือกระทบเพราะนั้นจิตนั่นเกิดจากองค์ประกอบเรียกว่าการกระทบอจตนานี่นะอจตนาตรงนี้เขาเรียกว่าตามหลักศาสนาเลยหลักของปัจจัยาการหลักของอิทธิปยาอาศัยซึซ่งกันและกันพระเจ้าก็คือหลักของ อิทธิปยตาและปัจจัยการสร้างขึ้นมาแล้วก็จิตก็เกิดจากตัวตัวการปัจจัยการเนี่ยสมมติว่าอาตมาว่านี่ได้ยินมันบอกเสียงก็ขึ้นมาจากรูปรูปที่ว่าวมาได้ในจิตตะนำมาสั้างจิตเป็นผู้สร้า ง, งแล้วสร้างแล้วคำว่าพระเจ้าก่อนหน้านี้บ่มีเขได้ยินหรือเ่าพเจ้ามัน้เกิดมีขึ้นมาตอนเขาได้ยินนี่แหละเพราะนั้นหูเขาก็เป็นผู้สร้าง เสียงก็เป็นผู้สร well, <T aurus. S 1> ้างจิตก็เป็นผู thi, ้สร you know, ้างพระเจ้าเกิดจากอายตนะทางฮกมากระทบกันตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเชิงคิโลประสพัติก <ocused. S 2> ับ <video> ก <EO> ็สร้างพระเจ้าขึ้นมาทันทีในขณะนั้นเพราะฉะนั้นจิตจึงเป็นผู้สร้างสร้างจิตผู้ใดสร้างจิตคือตัวเหตุปัจจัยเพราะมีสิ่งดีสินงดจึงเกิดเพราะมีสิ่งดีจินนีจึงดับดังนัเหตุปัจจัยก็เหมือนกระถามว่าฝนตกมาจากอย่งฝนตกมาจากเมฆแล้วผู้ใดสร้างเมฆ เมฆที่มันลอยขึ้นมานี่นะผู้ใดสร้างก็แสงพระอาทิตย์ไปเผาหน้ามันบ่หน้าก็เฮยขึ้นมาเป็นละอองละอองมัร่วมตัวกันเป็นเมฆกระโจนมาเป็นวนกันไปยังสิก็เรียกว่าวัดตจักพราะมีสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดหนึ่งคนใหญ่มานี่ได้ยังไงก็พอมีเหตุอันบ่ละมีเหตุว่าอยากมากพอเห็นอยากมากก็พอมีปัญหาให้ถามมันก็เหตุปัจจัยร่วมอย่างนี้คือว่าคือจิตเป็นผู้สร้างมด่งถ้าถามว่าเป็นผู้ใดสร้างจิต ก็คือความการกระทบก่อนที่มีความคิดว่าอารมณ์มากระทบจิตเออคนทั่วไปสงสยัยเรื่องปัญหาเหล่านี้เขาจําเป็นต้องไปหาหลวงพ่อมาหาต้องถามปัญหาแรงขับกำเนี่ยจะเป็นกุศลกรรมเนาะแล้วก็ขับให้คนใหญ่มานี่ถึงเมย์ถึงอิทถึงหวิวยังบุท่านได้พักเลยเนะ่ย<บ>ตื่นนาทีสามเลยวันวันอะไอันนี้ก็คือจิตมันสั่งให้มานั่นแหละคือมีเหตุปัจจัยสิ่งนี้ถึงเกิดเพราะนั้นถามว่าคาว่าเหตุปัจจัยนี้มีความหมายลึกซึ้งที่สุด พระพุทธเจ้าเพูนเห็นกฎอันนี้ว่าอันที่หนึ่งเกิดพ่อเหตุอันที่สองเกิดพ่อปัจจัยอันที่สามเกิดเพราะหายสงสัยในเหตุปัจจัยเพราะนั้นเหตุปัจจัยเป็นตัวสร้างจิตจิตเป็นตัวสร้างพระเจ้าเข้าใจเนาะบอเข้าใจก็ต้องเข้าใจละเพราะว่าปฏิบั ต, บติสาหรับทานพุทธิกำลังขับสมา ที่มีลาวต่างแดนในขณะที่ขาบเจ้ากาลังเยียนถามาพระอาจารย์มหาดิเรกอยู่ตาทานปุสมหรือสาวุทธรผู่ใดมีความสนใจหรือคล่องใจอยู่ขอเสิญติดต่อมาสอบถามเฮียนหู้นำพระอาจารย์ได้พระอาจารย์มหาดิเรก เ, เป็นดอกเตอร์ผู้หนึ่ง ในปฏิบัติในสายหลงหลวงกองหลวงพ่อเทียนนะพ่อเลยเนะาะหลวงพ่อเทียนก็เคยไปพวพันทําฮเฮียนคับท่านอาจารย์ปานวัดโสปปาหลวงของเขาถ้าว่าเพิ่อนก็เคยมาอยู่อเมริกาแล้วก็เคยอยู่เมืองไทยเคยอยู่ในไร่บอนฉะนั้นท้าวท่านสนใจในการปฏิบัติในสายนี้ก็ขอเสริรติดต่อ ทานลาวทีวีต่างแดนได้ค่าวหน่อยังมีคำถามที่จะต้องเฮียนถามท่านอาจารย์เ mm hmm. พราะว่าได้มาแล้ว mm hmm. ก็จยขอส่วนโอกาสถามให้เพียงพอและมีคนนถามมาว่าสินหาโดยทั่วไปแล้ว mm hmm. ในโลกนี้ก็มีสินหาเมื่อในศาสนาได้ก็ได้ข้าวหน่อยพอผู้น้อยหนึ่งว่าสินหามีอยู่สองประเภท คือสินหาภายในอะไรภายนอกคือนอกหมักและในใหมักก็นายยอนิมมลหลวงพ่อช่วยอธิบายความแตกต่างของสินหานอกหมักและในหมักเรื่องสินหาเนี่ยือว่าเป็น อ, อกฎสากุนเนาะของาศาสนาหรือว่าศาสนาอื่นเรียกว่าบัญญัติว่า ญ, ญัติหาประการบัญยัดิสิบประการบัญญัดิแปดประการกับต่าง ก็ถือว่าเป็นลักษของศีลในรายละเอียดอาจจะแตกต่างกันแต่ในแง่ของความหมายลวมเหลวก็คือกันในบัญญัติหประการสิประการหรือบัญญัติศีลห้านี่ที่นี่ถ้าว่าศีลหา้าที่อยู่ในมักรหรือนอกมักมาคุณอาจพอเข้าใจภาษาปริยัติอาจจะงงเ น, ะนาะศีลห้าสำหรับชาวบ้านที่เป็นผู้คลองเลื่อน กับสินห้าของพระอนาคามของพระโสดาบันต่างกันสินห้าของผู้ข้องเลื่อนก็คือว่าอาจจะลับมหาข้อแต่ว่าอาจจะรักษาได้ข้อหนึ่งสองข้อหรือรักษาได้สมข้อหรือว่ารักษายรุ่ข้อแต่ว่าบริสุทธิ์ร้อยเอร์เต์จะบอกชืว่าสินห้าข้อที่เนี่ยห้ามพูดปดพูดโอเสียมไม่พูดปดไม่พูดโอเสียไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเจ้อคนนี้อาจจะบ่พูดปดแต่มักพูด่อเสีย อาจจะบอกพูดโเซียเดียพูดคําหยาบอาจจะบอพูดคําหยาบจะพูดเพ้อเจอ้อสินหักกับว่าบริบูรณ์นขอ้อยซีว่บริบูรณ์แล้วอันนี้เรียกว่าะฉะนั้นผู้คลองเลือนเนี่ยรักษาไปได้กะ บ, บ, บ่สามารถจะครบได้เพราะอย่งเพราะขาดสติอยู่เพราะนั้นผู้ที่มีสติหลายกว่าคนธรรมดาเลยเพราะโสดาบัลเพราะนั้นผู้ผู้ที่รักษาสินหักบริสุทธิ์นับตั้งแต่พระโสดาบัลขึ้นไปเพราะนั้นสินหักของพระโสดาบัลเป็นสินหักในหมัก สินห้าของผู้รูชนเนี่เป็นสินห้ายังนอกหมัดอยู่เป็นยังไงก็ว่าสินห้าของพระโสดาบันเป็นสินในหมัด ก, ก็เพราะว่ามันเกิดด้วยปัญญาพระโสดาบันนี่ก็คือต้องมีสมาธิมีสมาธิเห็นว่าร่างกายนี้เป็นของเต่ า, วว า, เาติ แกายนี่เป็นไปตามกฎของอนิจจังทุกขังนาตาบุญจะเป็นไปตามอำนาจด้วยสิ่งบรรดาลของโชคชะตาอันใดนี่พระโสดาบันจะเข้าใจอย่างสดังนั้นเขาว่าสินห้าในมักพระโสดาบันสินห้าในมักก็จะมีสัมมากรรมตาสัมมาว่าจา่าและสัมมาอาชีวะสมข้อนี่เป็นศินเพราะฉะนั้นศินในมักจะมีสามขอ้อสินห้าในมักก็จะมีสามขอ้อคือกับ <c oughs> สัมมาว่าจะสัมมากรรมมันตาและสัมมาอชิวะอ่าสัมมากรรมมันตราคือเบาถือทั้งสี่ยางวุ้ดเลยเบาเบาเทปเบาเบาโซเซียลบาวบาคมหยาบาเบาเพื่อเจอนะแล้วก็ดำรงชีวิตในทางที่ถูกส่วนสัมมาวายมะสัมมาสติสัมมาสมาธินี่เป็นองค์ของสมาสมาธิอ่าสัมมาไอ สามข้อสัมมาว่าจ่าสัมมากรมมันตะและสัมมาอชิวะเป็นองค์ของศีลสัมมาทิฏฐิและสัมมาสังกัปปะเป็นองค์ของปัญญาเพราะนั่นในใจลักคือศีลสํนิปัญญาอันนี้ถ้าผู้ใดมีแล้วเออศีลสบรรเทาเออศีลหาศีลแดมันบก็บวกสเข้าไปนะคือสมข้อคือศีลในมากศีลห้าหมายถึงศีลของพุทธชนบวกไปอีกสาข้อบรเทาเออสมมติศีลหาศีล8เด้อ คือเอาถึงศีล น, นอกมักหรือศีลในหมักศีลในหมักมีสมขอ้อศีล น, นอกหมักมีหขอ้อก็รวมกันเข้าไปอันนี้เรียกว่าต่างกันเพราะฉะนั้นศีลในพุทธศาสนาคือศีลของพระโสดาบันแต่ศีลที่นอกยังถึงนอกถึงในพุทธศาสนาก็คือยังศีลหาของปุถุชนเพราะนั้ปุถุชนสามารถจะเปลี่ยนศาสนาได้แม้ถือศีลห้าแล้วนะแต่อริยบุคคลใดพระโสดาบันขึ้นไปเพิ่นจะบเปลี่ยนศาสนาเลย แต่ผู้ดูชนคนทั่วไปถึงรักษาศีลหเค่งบันไดกระทมแต่ยังเปลี่ยนศาสนาเปลี่ยนใจได้อยู่แต่พระสุดาวันจะโบเปลี่ยนเนข้าใจเนาะจนต่อศีลห้าตามคนเข้าใจส่วนใล่นั่นนอกมากเนี่ขาเจ้าหมายถึงว่าข้าการข้าหักษากายทางกาย นายมักเนี่ยักษาทั้งใจไม่ได้คิดกับโบได้ตัวอย่างก็โบขาสัตดซัดเขาคิดกับโบได้เขาต้องกํากับทางอันะทั้งใจไปนําความแตกต่างอันนี้โบแมนบอกเทางกายและครัทางใจแล้วมันในี้ได้สินห่าคอสุดท้ายอันบอกว่าดื่มสุราพิษสินแล้วมันนี้สูบยาได้เขาเนี่ยเขาถือว่าเป็นสิ่งมึนเมาได้บอกอันนี้เขาเลยเพราะว่ามีหลายคนมิจารนกัน โดยเฉพาะคู่บาอาจารย์อันนี้ขอโทษหลายๆขาเลยเป็นหมักสูบยาอย่างสิการสูบย า, นนาเนี่ยผิดศีลห้าบอกเขาหน่อยหรือว่า ม, มิจฉ ด, ดืิมเหล่าซื้อเขาหน่อยขอนิมณ์อาจารย์ช่วยอธิบายอนอกมักในมักอนอกมักก็คือการรักษากายในมักก็คือการหักษาใจเพิ่มกับว่าการสูบยา ความจริงแล้วในตัวสมุตเิเบอ่์การรักษากายวาจาให้เรียบร้อยชื่อว่าศีลการรักษาใจมันลึกชื่อว่าสมาธิการรอบรูปในกองสั ง, สงขารชื่อว่าปัญญาเนาะรักษากายวาจาชื่อว่าศีล น, นอะอันนี้เป็นเป็นตัวสมมุติศีลด้วยสมุดเรียกว่าสังคมศีล พยายามรักษากายรักษาว่าจจให้ดีให้เป็นที่ยอมรับอันนี้เรียกว่าสังคมต้องการรักษาศีลเพื่อสังคมอันนี้ก็เรียกว่าเป็นศีลโบทันโมเมตนต์ในมัก <c oughs> แต่ว่าคนดีรักษาใจให้ปกติได้ก็นี้รักษาศีลที่เป็นมักคือรักษาจิตคือในสมัยครั้งพุทธกาลมีพระองค์หนึ่งเขามาบวชรับศีลสองยเจ็ปรากฏว่าเป็นทุกขนาดเลยยุบานคือโบชุกจิกป่านี้เห็ดอันกระพิดเห็ดอันนี้กระพิดก็เลย ไปขอล่าพุทธเจ้าว่ามาบวชรักษาศีลหลายพูดสองลอยวิเชตรักษาไว้กับไปเฮาให้ทุกันสบายกว่าราพุทธเจ้าพุทธเจ้าก็ถามอ่ะเป็นยังคือเฝ้าซึกไปใส่บอกโอ้พุทธเจ้ารักษาศีลบไดรมันหลายโพดอ่เอ้ามันหลายคือบเฮ็ตมันหน่อยๆอ่เอ้าักษาหน่อยหน่อยก็ได้ได้วเชนะเจ้า่าเอาเฉพาะอเนว่าิการต่อรองมันได้สมัยนั้นหลายมันสองยเชมันหลายโดเอาเฉพาะอ เอาสักหาข้อโอ้หาข oh <my> ้อมันยังไหลไปคนว่าผ <Wear. S 1> <imore> ู้ดเจ้าว่าเด้อเอาข้อเดียวเดียวรักษาง่ายดีนว่าโอ้ข้อเดียวก็ดีแล้วเสียนว่าเจ้ารักษาได้ค่เจดมือรักษาข้อเดียวเข้มเต็มที่เลยเขานแล้วขาดเลยนว่าผู้ดเจ้าว่เออเพื่นก็บอกได้เ่เจ็ดข้อท่านไปรักษาสิข้อเดียวเด้อนะเจ็ดข้อนถ้าหากว่าขาดแล้วขาเลยนะเจ็ดมือแล้วก คือไปรักษาใจนี่คือสิ่งข้อเดียวนะไปรักษาใจให้ยู่ใกล้เจ้าของเนี่ยโบให้มันไปใส่รักษาอยู่ขนะ่ะรักษาใจเจ้าของโบให้เวลามันคิดอย่างไปก็มาหลุตัวทันทีเวลามันคิดอย่างไปกบมารักษาไว้ ท, ที่ไก่ทันทีปรากฏว่ารักษาได้เจ็ดมือมือสุดท้ายจิตของคนก็เลยโผล่ออกมาจากอวิชชา คือหมายความว่าเข้าใจสิลที่แท้จริงศิ่งที่แท้จริงคือรักษาจิตที่ปกติเมื่อจิตมันเป็นปกติที่สุดของวันแล้วเนี่มีอย่างพิษปกติปั๊บมันลูกคขาว่าพิษศินคือพิษปกติเขาว่าศีแล้วแปลว่าปกติเป็นบอกเมื่อใดกระามกายว่าใจใจพิษปกตินั้นพิษศินแล้วโดยปรามาจบวหาจิตได้ไปละเมิดข้อนั้นข้อนี้เพราะฉะนั้นศินโดยปรามาจาคือรักษาใจสินโดยสมมติคือรักษากายว่าจจเพราะฉะนั้นพระโสดาบันก็เป็น ผู้ที่รักษาจิตคือศีลโดยประมัดเรียกว่าศีลในมัดแต่รักษากายว่าใจสักขากายว่าใจนี่เป็นอย่างศีลนอกมัดอยู่เป็นศีลนอกพุทธศาสนาแต่เนี่ยมหลายรักษาจิตให้ปกติได้หรือถือว่ารักษาศีลในพุทธศาสนาเพราะนั้นผู้ใหญ่ไปรักษาศีลข้อเดียวเด้อรักษาศีลหลายข้อมันบรรูดเท่าไงรักษาศีลข้อเดียวบรรูดเท่าไงขึ้นเนาะเรื่องเรื่องสุราคืคือว่า สุราเนาะสินข้อหานะสุราเมรยะมั ช, ชะประมาทะเพราะใะคำว่าสุราเนะี่ยมันมีถึงสี่ข้อด้วยพใหญ่ายๆบมเนข้อเดียวเลยสุราในสิ่งดีกินไปแล้วหมายความันมึนเมาท่านที่ห ม, ม, มายความดีกี่สูงแต่ว่าเมไรนมนมนววั น, น, นี่มึนเมาทีละหน่อยพวกวายว่าพวกเบียร์ว่าพวกกาแฟบ่บุหรี่กัญชาเฮโรอีนพวกนี่มันเมาทีละหน่อยละหน่อยพวกนี่เป็นเมรั อุณิเมริยะพวกไว้พวกสาโทแต่ว่ามัชะมชะมัชะในมากภูบุรียามายาขยันพวกกระท่อมกัญชาพวกนี้เป็นมัชชะสุราเมริยะมัชชะแล้วอันชุดไทยสำคัญประมาณทะพุ่งไงเดินไปนี่ไปหกลมอยู่เนี่ยพิศเนี่ยพิศิณหาเดินไปดีๆนี่ไปเตะตอหงมาตีนแตกพิศเนี่ยพิศิณหา หรหันพักหรดีไปหันเซื่อมือเจ้าของเนี่ยฟิสินแล้วนะคือพิสินคือมากระเฮตให้ร่างกายได้หลับความเจ็บปวดอักเดบทั้งหลายเนี่ยถือว่าพิสินหักเพราะประมาทขาดสติการขาดสตินี่พิสินหักประมาทคือขาดสตินั่นเผอเว้าไปเผอคิดไปเผอทําไปด้วยขาดสติพิสินฟิสินขอ้อแรกฟิสินข้อหาเพราะนั้นในศินข้อห้าสินหักข้อหดืข้อหาถึงสําคัญที่สุด พพะะ เ, เ, เ พ, พาเร า, านั่นเยาวถึงหมักผู้บุรีพิสินบอกพิษในสินหาเมื่อตัวสุลาวิฎิกีสูงเมเรยะวิฎิกีอ่อนมัชชะบ่มวิฎีกีไต้มึนไปตลอดซึ่มไปตลอดติดเลยประเติดแก้มชากาแฟฟินเนลีอินผงขาวพวกนี้พิสินหาเมื่เป็นมัชชะแล้วประมาณท่านี่พิษทั้งใจเผอสติอยาว่าแต่ทั้งหมักผู้บุรีหรือว่าแม่ได้ประมาท ว้าวไปประมาทคิดไปประมาทเผลอไปก็พิสิแต่เป็นศีลประมาทถือว่าลว่พอ่ดถื่พอไ่ถื <c oughs> อ อ, <c oughs> อ, อตามนะถือตามประมาทตามประมาทนะประมาทเพราะฉะนั้นในพุทธศาสนานเน้นที่ตัวรักของจิตใจทองกายว่าจาเนี่มันมาจากใจเพราะถ้าหากว่ากายว่าจา่าำพันกายว่าจามันเห็นอย่างบ่ได้หรอกถ้าจิตบสั่ง์ะนะเพราะ่นก็มาจากใจคือกัน ดังนั้นการรักษาศีลเนี่ยต้องรักษาจิตให้มีคุณภาพหนึ่งศีละแปลว่าอย่างศิลาศิลาแปลว่ายังศิลาแปลว่ายังนั่นเบไปว่าหินศิลาแปลว่าหินเนี่ยเออศิลาคาว่าศิลากับศีลเนี่ยมาอันเดียวกันเปลว่าอย่างคนหินกับศีลเนี่ยเคนซับเดียวกันเด้แต่อันนี้ก็ว่าศีลาแต่พอไปเอื่นหินว่าศีลา แต่คาเดียวกันเพราะนั้นคุณสมบัติของหินมีกักอย่างเพื่นเอาคุณสมบัติของหินมาตั้งเป็นสื่อของศิลคุณสมบัติของศิลปหนึ่งนักนแน่นสองทนทานทนทานสามน้มันคงะเนาะสทิ้งไว้ดุดูดมันเย็นเยือกเย็นสีเวลาลมพัดมามันวันไหวบ่โบไหวเหมือนใบไม้โบวันไหวห้า มันเทียงอ่ามันเทียงคือมันปกติเพราะฉะนั้นในศินเนี่ยคุณสมบัตินักแนะ่นเยียกเย็นบววันไหวอ่าแล้วก็ปกติบวชสั้นข้อนบววันไหวไปตามสิ่งที่ทกระทบเพราะฉะนั้นคนที่มีศีลเนี่ยเป็นคนที่มีจิตนักแนะ่นคนที่มีศีลเป็นคนที่มีใจเยือกเย็นอ่าเสื่อมันคนที่มีศีลเป็นคนบววันไหวไงคนที่มีศีลก็คนที่มีจิตที ปกติบวกลบบ่ลงนั่นเรียกว่าคนมีสินแห่คนนันรักษาได้เมื่อสินจะมีเจักพันข้อก็ตามแต่เอาคุณภาพของคขาว้ศีลาเนี่ยอันนี้โดยประมาทนะยังไอันน่ะเดี๋ยวนี้สังคมเขาอมีความสนใจเรื่องเกี่ยวกับเรื่องอันน่ะเขาน่าจะเป็นต้องได้เว่าต้องได้ถามตามที่ สังคมสาวพุใหายความสนใจเพื่อวานนี้นีสินหาที่หลวงพ่ออธิบายไปเมื่อกี้นี่เกี่ยวกับการสูบยาเข า, นขานเน้นใจว่าเรื่องพระสูบยามีหลายในวัดวอาห้ามของเขาแลาก็เป็นการาที่บมอสมในการเผยแพร่พระพุทธศาสนาอยู่ในต่างประเทศเพราะว่าบมอสม ลูกปลาเห็นุนัก็แล้วเพื่อนกระบอกว่าการสูบยาในบอ่อพิษบอ่อพิษต่อศินเมื่อกี้หลวงพ่อบอกว่าพิษพอมาไม่ได้เหมือนเมาได้ฉะนั้ น, นในขั้งโบหานาการาก็มีครูบาอาจารย์หลายองค์บรรลุธรรมได้แต่เพิ่มสูบยาอย่างนี้มันเกี่ยวข้องเหมืนบ่ใน ในการสูบยาเทศบายตะกี้เป็นใบยาสดแล้วยาสมมติ น, นี่มันผสมโดยเคมีให้คนให้ผู้ที่อันนี้เขาเรียกว่าถึงคนทั่วไปเพว่าทุกคนมีสิทธิ์แต่ว่าเป็นพระอยู่ในวัดเป็นบุคคลของสังคมแล้วก็เป็นผู้เผยแพร่พระพุทธศาสนาเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าอ่าเขาเรียขึ้นว่าบ่อคอยเหมาะสมปันใดหลวงพอมีความคิดเห็น อย่างในบล์เกี่ยวกับการที่เป็ดในทำ น, นองนี้เพราะว่าถ้าว่ามันบลบมบเสียติดถา้าไปเคยสูบยี่ห้อนี้ไปไปสูบยี่ห้ออื่นก็มีอาการพิษปกติโลดไอก็แสดงว่ามันติดในยีหย่ห้อยี่ห้อหนึ่งบางที่หลวงพ่ออาจจะบลเห็นว่าบอมะสมที่จะตอบเพราะว่าเป็นครูบาอาจารย์คือกันและขน้อยมีความเหตุว่ามันพิษต่ต อ, อการเผยแพร่ ศา ส, สนาพุทธหลวงพ่อคืบไปยังไดก็ไนดะ้ขอนิมนต์ก็ไนดะ้ทงจริงเรื่องของการสูกยานี่ในวินัยเนี่ยคุณแบ่งไว้สองลักษณะลักษณะหนึ่ง เ, เรียกว น, นัตติกะวัชชะคือมันพิษตัวบัญญัตินะอันที่สองละโลกาวัชชะมันพิษต่อสังคมประเพณีจากนั้นใน พิษหรือบอบพิษในนี้ว่าสมมุติว่าอยู่เมืองนี่ถ้าหากว่าผู้สูบยาเนี่ยเป็นที่ยอมรับก็ถือว่าบอบพิษในแง่ของโลคกระชาดฉะนะในแง่ของบรรยัติดี่กับบอพิษคือกันแต่ว่าพอไปสังคมชนอื่นเขาบนิยมสูบยาพระบุญยมถ้าไปสูบอันนี้กับพิษถึงสองอย่างบัญญัติกับพิษโลกระชาะกับพิษหรือว่าอยู่บ้านนี่เขายอมรับว่าพระที่แท้นต้องบวชจำเงินจำทองต้องบวกินข้าวข้าวแรง กินข้าวหลังเที่ยงหรือซีนะก็ถ้าไปกินข้าวหลังเที่ยงหรือจับเงินท้องก็ถือว่าพิษถึงศีลหรือบางที่โบพิศศีลแต่มันไปพิษโล ก, กวัชชะโลกตีเตียนแต่ไปมูอีกบ้านหนึ่งหากินข้าวแร้งก็ได้ลำเงินก็นได้โบพิษอันนี้ก็ถือว่าโบาพิศโล ก, กวัชชะแต่จะพิศศีลอันนี้คือลักษณะวินัยพุทธแยกเอาไว้อยู่นั้นถ้าหากว่าอยู่วัดใดก็ตาม ถ้าญาญมบุญอมรับพระสุบุรีพระองค์นั้นไปสุบุรีพระองค์นั้นก็บพิษโลศีโ ล, โลกวัจชะคือชาวโลกตี้เตียนหรือไปคัดข้ามเนียมประพเพณีคัดขานิยมของคนอันนี้บางที่อย่างเมืองไทยเนี่ยถ้าหากว่าพระไปขับรถขับล่างนี่ญาญมกัตีเตียนเนาะยมหับบุไดอันนี้ก็บพิษศีนเพราะเป็นโลกวัจฉะแต่พอเมื่อเนี่ยไม่กาบพุพิษเพราะว่าทางนี่เขายมรับแ่บ ถ้าเข้ารถได้แต่พาเข้ารถมาได้ก็บ่มีเขากินแต่ว่นนันต้องเข้ารถได้อันนี้ก็บ่เป็นบ่มพิศินยังไงของโรคกวัชะแต่ย่ำใดพาเข้ารถไปซนเขาหรือไปฮิตเขานี่ถือว่าพิษแล้วกันนี้พิกษกฎหมายพิสินอนะ่ะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับกรณีไปของสังคมเพราะนั้นอาจจะพิษโรกวัชะแต่บ่มพิษบัญญัติบางอย่างพิษบัญยัติแต่อาจบ่เป็นโรกระวัชะบางอย่างเป็นทั้งสองอย่างพิษทั้งบัญญัติและพิษทั้ง โลกวัชชะคือพิษขนุกรมเนียมประพีนี้ราคานิยมของทินฐานนั้นนั้นนั่นการบัญญัติว่าถือว่าพิษนี่เป็นเรื่องของสังคมแต่เขาไปเบิงพระธรรมวินัยว่าปนแยกเอาไว้เพื่อให้รักษาประคองศรัทธาของชาวบา้านในการที่เขาถือพระเหลืองคือรูปแบบนี้เพื่อเจริญศรัทธาแต่ว่าถ้าหากมายัวไม่กาแล้วยังใส่ชุดนี้อยู่เขาบริสุทธินี่ก็สามารถที่จะเปลี่ยนชุดได้พระอเมริกาหลายองค์เนี่ยไปอยู่เมืองไทยแล้วนี่ ผมเป็นพระเทรวาตอย่างดีเพราะมันหนไม่ซึ้ถ้าโบยซึ้แล้วเขาบยย่อมครับซึ้งละเป็นอาจารย์สอนกรรมาฐานได้อย่างแจ็คคอนฟิวเนี่ยคุณเคยซึก้ออกไปสอนกรรมาฐานเนี่อันนี้รูปแบบทางสังคมนี่เพื่อชักจูงเพื่อจะลงศรัทธาแต่ว่าไปยุอีกที่นึงชุดนี้อาจจะโบยสามารถจะลงศรัทธาได้ก็เปลี่ยนแปลงได้หลวงพ่อเทียนคุณเคยเว่าวดีแต่หาผมผ ม, ผมพรเหลืองเราผมไปสอนธรรมะเราคนเราบุได้ผมก็เปลียนด้วยนุ่งกางเกงได้ขึ้นกันนี่ อันนี้คือรูปแบบบางคนโอ้คนหลุดเท่าไหร่าคือซึ้เรื่องซึกเรื่องบวทบริเกี่ยวกันเนี่ยเกี่ยวกับขานีิยเป็นสมมุติทางสังคม<อ>ในะเข้าใจเนาะทร อ, อยจะถามมาเกี่ยวกับเรื่องพระหรือครูบาอาจารย์สูบยาในวัดก็รู้ซึกว่าเป็นการก้าวกายจิตของทรงไปหลวงพ่อได้อธิบายว่ามันเกี่ยวกับ ส, ออสังคมยอมพับหรือบอแต่สังคมยอมพับมันก็ผ่านไปได้แต่ว่า น, นี่ก็ขอฝากไปกับคู่บาอาจารย์ส่วนหลายเขาได้เขาได้ยอมแรกเอาเอาความเสื่อถือความหักแพงมาเบ้าในมือ น, นี้เพราะว่ากรสุดแล้วที่คู่บาอาจารย์เป็นจะพิจารณาเขาเลยเพราะว่าสังคมในอเมริกาเนี่เขาเขาถือว่าเป็นสิ่งสําคัญในการ สูบยาโดยเฉพาะผู้เผยแพ่ศาสนาคือโฮงเฮียนนี่เขาก็ว ห, สสหาสาาส้สูบสหประชาศาต์เองสิเขาก็มีวันกฎสูบบุหรี่มาเพราะว่าสังคมในอเมริกาบกคอยนิยมปันใดฉะนั้นก็ขอถือโอกาสนี่ฝากไว้กับคู่บาอาจารย์ทั้งหลายได้พิจารณาเอกว่าเขาควรจะเห็ุวิธีใดในการเผยแพ่ พรพุทธศาสนาที่เขาครับับถือที่จะให้เข้าเถึงสาวพุทธหรือบดึงสาวโลกหรือสาวญาวชนเขาว่าเป็นสาวพุทธให้ได้ก็ขอให้เบืงองพิจารณาตามสมควรกันหน่อยแล้วตัวคำถามตัวท่อไปนี้มีคำถามถามมาว่าคนเท่านี้ตายไปแล้วอันมีการเบียนบายตายเกิดกับมาเกิดได้ แม่แท่บหรือว่ามีเหตุผลอะไรเขาหน่อยที่จะมีหลักฐานอนไรบอที่ยั่งยืนได้ว่าเป็นความจริงหรือบาจริงแล้วก็เวลาเฮาเหตุบุญแจกข้าวหาคนตายนะเขาเจ้าได้กินแท่บหรือบอเ น, นี่ยอันนี้เป็นความสนใจของสังคมพุทธลาวเฮาส่วนหลายได้มีความสนใจเขาในขอนิมนต์ความจริงเรื่องนี้มันเป็น พุทธศาสนาเขาเนี่ยมันเป็นทางพุทธประเพณีนะะเป็นพุทธธรรมที่นี้ถ้าเขาเชื่อในแง่ของพุทธประเพณีก็เพื่อรักษาสังคมส่วนหลายให้อยู่ได้เพราะว่าสังคมทั้งหมดเนี่ยจะมาปฏิบัติแบบให้พุทธศาสนาบริสุทธันกัยากแต่ในเมื่อเป็นจชงสั้นเขาก็ต้องรักษาไว้ซึ่งกันและกันว่าพุทธศาสนาไม่ทั้งเปลือกมีทั้งกระพี้หรือมีถึงแก่น บางคนเข้าถ er er er er er ึงแกนโบเร่เอาเปลือกก็ยังดีเอาเปลือกเป็นยาก็ยังดีบางคนเอาเปลือกเป็นยาแต่ก็ยังเอากะพี้เป็นยาบางคนเนี่เป็นกะพี้เป็นยาเพราะเอาแกนเป็นยาพร้อมถได้ถึงเปลือกถึงกระพี้ถึงแกนก็ดีมันพอเราะนั้นในสังคมทั่วไปเชื่อว่าตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายมันเป็นความเชื่อในพุทธศาสนานั่นถือว่าเหตุของการเกิดการตายอยู่ที่จิตเมื่อจิตเกิดคนก็เกิดเมื่อจิตดับคนก็ดับเหตุพุทธศาสนาสอนเรื่องเหตุ S <S <an> <se as> เกิดแล้วมันเป็นผลแล้วมันบอระแต่อัยังเกิดสมมุติว่าเขามมีลูกขึ้นมาหนึงคนเนี่ยถ้าจี๊ดทำบุคิดจะมีเนี่ยลูกคนนี้จะมีได้บ อ, อก็มีบอได้จิตดเขาต้องคิดซะก่อนมันบอระเพราะฉะนั้นอ่าเขาเสียว่าการเกิดของจิตมีเสียว่าการเกิดก็มีแต่ถามว่าเขาจะพ้นจากการเกิดได้บ อ, อได้คือเขากะบ อ, อปุงแต่งขึ้นมาพระรหันท์ถามว่าพระรามคิดบ อ, อคิดยุตแต่ว่าเพื่นบอปุงแต่ง คิดแล้วบวมปูงแดงแล้วบวมีผลคิดสักตวะวคิดแต่คิดแล้วปูงแดงต่อไปนั้นมีผลให้เวียนวายไตเกิดพอคิดแล้วเวียนวายอยู่ใส่คิดแล้วทําตามคิดแล้วพูดตามพูดตามทำตามแล้วเป็นผลในทั้งที่เป็นไปทั้งเกิดปัญหาต่อไปเรื่อยๆโดยจบนี่เขาเรียกวเวียนวายไตเกิดแต่พาาระละหันพุนว่าแล้วทําให้ปัญหามันจบให้หมดปัญหาอันนี้ก็เรียกว่ามันบวมีการเวียนวายไตเกิดเช่นบอกแก้ปัญหาให้ผู้อื่น พอเมียทะเลาะ ก, กันไปใกล้เคียวให้มันจบปัญหาปัญหานักบุรุกล้างไปนั่นว่าเพื่อจะดับว่าแล้วให้เกิดปัญหานั้นดับว่าแล้วความถูกมันดับ นี่พระอหันต์พูว่าว่าว่าไปแล้วปัญหามันดับความทุกข์มันดับลักษณะนี่คือเป็นกุศลกรรมหรือเป็นกะตะตากรรมแต่ถ้าว่าแล้วก็ให้เกิดเรื่องต่อไปก็ให้เกิดสงสัยต่อไปเกิดการทะเะบาแหวงต่อไปนี่าย่เราเวียนว่ายแต่เกิดไปอื่นไปเรื่อยๆเห็นให้คนอื่นมีปัญหาไปเลยอันนี้เขาเรียกว่าทําด้วยอกุศลกรรมมโนอกุศเป็ น, ปนอกุศลจิตก็ให้เกิดกรรมอ น, นั้น ดังนั้นถามต่อมาบอกว่าการที่คนเอเชียคนไทยคนไทยของเขาเนี่ยเวลาไ ป, ไปพ่อแม่ปุาายอาจจะย้ายตายไปแล้วเนี่ยเพินมีการทับุูล อ, อุทิตโดยภาษาลาวอิ่นทับุญแจเขา้านะเพิ่นจะได้รับบ่นะที่นี้เขาต้องมาเบิ้งว่าเพิ่นไปเกิดอยู่ใสพ่อแม่เขาบนบํารุงเขาตายไปแล้วเพเกิดอยู่ใสถ้าไปเกิดเขาพูดจักว่าเขาเนี่ยเป็นผลมาจากผู้ใด เป็นผลมาจากวันพุรุษมันบอกแต่บมีวันพุธรุษโบมีพ่อแม่เฮาจะได้เกิดบะไม่ได้เกิดในมันเวลาเพื่นตายเมื่อไร่เพื่อนเป็นผู้ใดบ่นี่ต้นมะม่วงสมัยพุทธเจ้าก็มีมันบอกจ้าสมุนในมีบอกก็มีมันบอกนั่นต้นมะม่วงก็เสื่อมมาสองสามัปีแล้วมันก็ได้เกิดเวียนว่ายตายเกิดเพราะมันมีเมล็ดคนเฮาคือกันถ้ามี อวิชาตัญหาอุปทานกร่มก็เลยว่าคนนั้นมีมีซดมีเมล็ดแล้วไปตกอยู่ใส่ก็เกิดคนเท่าคือกันเมื่อบ่มีอวิชาตัญหาอุปทานกระเบิดเกิดเหมือนกับว่าเมล็ดนั่นมันแห้งแล้วมันถูกหลวกแล้วมันถูกปอกเปลือกแล้วเอาไปปลูกบนได้กระเกิดเม็ดมะมวงอันนั้นแต่ถ้ามันบ่รีบบ่แห้งเปลือกมันยังมีอยู่มันสุมมันตกถูกดินมันก็เกิดเพราะนั้นการเกิดนั้นต้องอาศัยเหตุปัจจัยหลายๆด้านประกอบกัน อเมทมามงวงอันี้เปลือกก็ยังดีอยู่ในก็นยังดีอยู่แต่เขาบอกให้ปลูกมันก็บุเกิดได้มันบอกนะแล้นั้นบางคนตายแล้วก็ได้เกิดบางคนตายแล้วบ่ได้เกิดบางคนตายแล้วก็ได้เวียนไว่ายไปอยู่แต่ว่าผู้ที่ อ, อุทิศกุศลไปแล้วนี่พ่อแม่จะได้รับบ่ในอา น, นิสงส์พูนบอกว่าถ้าผุ้นั้นไปเกิดเป็นเปรตได้รับแต่ไปเกิดเป็นทุกขตีพุ่มพูนมีอาหารของทุก พ้นอยู่แล้วในไปเกิดในสุกติพุ่มพ้นกิดมีอาหารขอึ่งพน้พนเนี่ยพ้นจะบรได้รับแต่ถ้าเป็นเปรต น, นีป่ประเภทสัมภเวสียังแสวงหาอาหารจากคนอื่นอยู่ประเภทนี้ได้รับทีนี้มีพรามณ์คหนึ่งชื่อว่าชานุโสนิพรามไปถามพ่อพรามณนี่ทำบุญไปแล้วก็อยากจะหัว่าพ่อแม่ได้อิรีบอสนินะก็เลยไปถามพระพุทธเจ้าถามว่านี่ข้าพเจ้าทําบุญไปหลวงหลายเนื้อมดไปไลยพันกหาปนะพอข้าพเจ้าแม่ข้าพเจ้าจะได้รับอิรีบอหรือว่า ผู้บาดตัวจะซื้ อ, อ, อถังเสร็จนะพระพุทธเจ้ามันก็ถามพรามถ้ามีผูไปยามบ้านไปบ้านท่านเน่ยเราท่านตามพระพุทธเจาจะตกแต่งอาหารการกินข้าวนาา้าซาวปาตอนหลับมันบอกแต่บังเอิญแขกที่ไปบ้านเนี่ยบ่โอ้คนกินมาแล้วอิ่มแล้วบบ ก, กินีหรอกพาชนะที่พรามแต่งไว้เนี่ยจะเป็นของผู้ใดเพราะว่าแขกมากคนบบกินีเขาพระเจ้าก็กินเองนั่นแหลพระพุทธเจ้าฉันใดก็ดีพราม เมื่อห้ามตกแต่งเข้าปาหารถวายพระแล้วเออถวายถึงผู้ที่ตายไปแล้วแต่ผู้ตายบริลลับเนี่ยมักจะตกกับเจ้าของเองตกกับพระเองถ้าผู้ตายนั้นไปเกิดเป็นทุกขะติเพิินกับบริลลับผู้ตายไปเกิดสุกติเพิินกับบริลลับแต่เนี่ยผู้ตายไปเกิดเป็นสัมภเวสีคื อ, อยังเล่นลอนเป็นเปรตเป็นผีอยู่นี่เอออันนี้ได้รับนะเพราะฉะนั้นขึ้นได้ว่าไปเกิดเป็นอย่าง น, ะนึ่ ที่วัตถุที่จะให้ต้องบริสุทธิบบ์บริเลักบริข่าวมยเขามาที่จะได้รับนะสองพระคูบาที่หลับเนี่ยต้องมีศีลบริสุทธิส์สผู้ที่ตายไปนั่นเขาไปเกิดเป็นสัมภเวสีหรือเป็นเปรตประกอบด้วยองค์3ประการแต่หนึ่งวัตถุที่เอามาให้ท่านหลักข่ามยเขามาผู้นั่นก็บริเลพสองคูบาที่หลับท่านนศีลบริสุทธิ์ผู้นั่นก็นบริเลพ ส, ส, ส, สามถ้าหากว่าผู้ตายนั้นไปเกิดใน 6อื 1953, ่นบริเวเกิดสัมะเวศีบริเเกิดก uh, ับบริเวณทับเพือกนเปนประกอบด้วยองศาการหลักหลัก b r e บเป็นนันว่ายำแรงนี่บริเกณละ6เลยละหมดเวลาแล้วเออแล้วก็กขอนโมทนาสาธุในผู้ใเพียงใช่ที่ใดมาถามปัญหาทั่วไป เพื่อปดเปลืองข่มสงสัยโดยเฉพาะาพี่น้องชุมชนเล่าเขาเป็นผู้มีศรัทธาเข้มแข็งแต่ว่าการที่จะมีศรัทธาในการพัฒนาให้สูงขึ้นไปศรัทธาอย่างศีวามีศีแบบว่าเชื่อในกรรมเชื่อในผลของกรรมเชื่อว่ากรรมตีเอาเหตุไปต้องตกแต่ห้าว น, นอนแล้วก็เชื่อการตัสลูของผู้ดีเจ้าเดาเชื่อว่าเจ้าของเนี่ยสามารถจะตัศลูได้อย่างผู้ดีเจ้า ถ้าเป็นกรรมในพุทธศาสนาเรียกว่าตถาคตโพธิสัทธ์อันที่หนึ่งเรียกว่ากรรมมสัทธาอันที่สองเรียกว่าพิปากสัทธาอันที่3เรียกว่ากรรมมสกะสัทธาอันที่4เรียกว่าตถาคตโพธิสัทธ์อันนี้สัทธาที่จะเป็นถูกต้องในพุทธศาสนาบุเมนว่าสัทธ์สัุพอเจ้าคุณก็มีสัทธสัทธาสถาพอมหากรรมวิัทธบพอมหากรรมวิสัทธ์อนบุเมนสัทนในพุทธศาสนาเลยสัทธ์สทพอหลวงพ่อถึงมีสัทธาอันีบุเมน เราเป็นศรธาในสี่อย่างนี่แล้วนั้นเราจะเห็นว่าเรื่องของพุทธศาสนาเป็นเรื่องของปัญญาถ้าหากว่าบม่มีปัญญานี่ได้ถือว่าเป็นพุทธประเพณีแต่ถ้ามามีปัญญาในเกี่ยวข้องพุทเรียกว่าผู้นั้นเข้าถึงพุทธธรรมพุทธนั้นเขาเรียก ว, ว่าเข้าจะเอาแค่พุทธธร ร, รมหรือว่าจะเอาแค่พุทธประเพณีแต่พุทธประเพณี่เรียกว่านั่นเป็นพุทธแต่เปลือก ยังโบราณกะพีหรือโบราณแก่นแต่พุทธที่เป็นแก่นคือเข้าตัวสูตัวหมักผลคือเป็นพุทธธรรมนะเพราะฉะนั้นการาสาธุคออีกคอนึ่งใ่คออ๋อคอใ่อนึ่งพระพุทเจ้าเป็นอย่าง้อเดียวอเดียวมันม่หลายคอมีอันน่ะมีคนสนใจว่าหลังจากทีเจ้า้ายศิทธะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วนะ เพิ่นมีอาการเกิดว่านะมีความท้อใจว่าทำมาลึกลับนี่ซาวโลกจะบ่าสามารถเข้าถึงได้เพิ่นนะคิดว่าเป็นไปบ่ได้จนว่ามีนะพระพรมมารัตนนิมนต์ในเพิ่นอยู่ต่ออยู่ต่อในการสอนซาวโลกอันนี้พระพรมที่หมายถึงนี่แมนพระพรมจากโลกนึงอีกบ่ เรือพมวิหารซีอยู่ในหัวใจของเพื่นเองขอที่หมดนะเลยในพุทธศาสนาเนี่ยมันมีสองภาษาเรียกวาภาษาส ม, มุติกับภาษาปรามัตดที่หลวงพ่อพุทธทาสควรใช่ไหมครับภาษาคนภาษาธรรมพุทธศาสนาภาษาคนก็คื อ, คอว่ามันมีส ม, มุติมีคนมีตัวตนอันนี้เรียกว่า ทำพมื้อกันถ้าพมในภาษาคนก็คือพมนี่เขาลงมาจากสันพมพุ่นเนาะชื่อว่าท่าสามบริพมมาราธนาที่นี้ข้อปัญหาถามว่าเอ้าพระพุทธเจ้าคุณยังอาศัยผู้อื่นมาบอกให้ไปสอนอยู่แสดงว่าคุณว่าไม่เมตตาทุนนี่อาศัยว่าที่ถ้าหากว่าเท่าสามบริพมว่าลงมารดธนาเข้ากับบริรผูุ้ทธศาสนาแล้วเนี่ยคุณไม่ผู้ไม่เมตตามันจะเข้าใจง่ายเนาะแต่ความจริงมันเป็นอย่างซีอ่าในแง่ของสมมุติ ว่าท่าวสามบริพนเนี่ยเคยเป็นสหายกับพุทธเจ้ามาหลายภพหลายชาติมาอาภพใดชาติใดก็บมาพ่อกันในภพนี้ชาตินี้ก็ปรากฏว่าพุทธเจ้าหรือเจ้าใ ช, ช้ศีรษะเนี่ยมาแตสรูปเป็นพุทธเจ้าคนกันนั่งมาอุปถัมภะถากตามคนที่มีสหายใกล้ชิดเนี่ยจะรู้ใจกันได้เป็นบ้องน่ะมองหน้าก็รู้ใจเพราะว่าเกิดร่วมชาติกันมาหลายหลายชาติพูดว่าเตอนนั้นพอเห็นมาเฝ้า คือได้ได้รู้ว่ามูคิดอันใดนะมูคิดอันไดว่าโอ้คนคือจีเห็นแล้วท้อเนาะเพราะว่าท้อนี่โมเมนท์ทำงานของคนยากเลยมันง่ายโพดอนะโอ้ทำงานง่ายแบนี้ผู้ใดจะเอาสินะแต่คนมันมักยากเลยเป็นบอกอ่คนมันมักยากผู้ใดศาสนาเป็นลึงคือสมัยนั้นนะพผู้ใดเจ้าพูนเผยแผ่พูนพ ก่อนที่จะเผยแผ่เนี่ยคนในสมัยนั้นจะเบาๆถึงเรื่องปกติความรู้ซึกโตธรรมดาความเห็นตรงๆซื่อๆเนี่คนจะบ่สัมผัสบ่ได้เพราะว่ามันมันเป็นเรมดาแต่คนจะไปสัมผัสเรื่องฤทธิเรื่องชานิเร่องเดดเรื่องปฏิหารเรื่องสีแสงเรื่องโลกนี่เรื่องโลกหน้าเรื่องไปนอกตัวมดคนในสมัยนั้นคิดแก่แต่เรื่องนอกโลกบริคิดเขาเข้ามาหาโตถ้าเป็นศาสนาใกล้เข้าไปก็พูดถึงเรื่องปรัชญา เรื่องของจิตวิทยาไปบริเวณเรื่องความเป็นจริงของเจ้าของทีน่นี้คนทั่ไวไปมันบยอมรับความจริงยีม้รอบตัวตนขอเจ้าของว่าเป็นดินหนาดงไฟนี่ยี่มลบว่ได้แต่พวกทีธเจ้าเพิ่นหันมายี่รับตัวนี้พยายามสอนธธสอนี่ผู้ใดจะมาสนใจมันของมัน ง, าางอนอ่ายๆจริงสินะของเห็นๆนี่ผู้ใดจะมาสนใจดังนั้นการที่เพิ่นบอยงมบเผยแผ่โบเมนว่ามันยากเลยมันง่ายโพดอดนะอแต่คนสมัยนะั้นมันยุบในเรื่องยาก วอนที่บัติแล้วจะได้เป็นพระหันบอกไปเห็นสันใดไปอยู่พร้อมสันได้เองสิเนียเป็นบรรุชัดสันไดเป็นสมาบัติสันไดเป็นนิโรธสันใดสนใจไปแต่เรื่องเหล่านั้นแต่บ่ได้สนใจว่านั่งไปอย่างไดยืนไปอย่างใดนอนไปอย่างใดพกไม่ได้สนใจพนคือเร็วไปสนไปว่าเรื่องเี๋คนกลับบุได้หอกพูนคิดอย่งสี่นะ<อ>พูนคิดจยงซี่ปรากฏว่าถ้าสาม บ, บดีพร้มเนี่ยหูใจก็ลงมาโอ้ยไปคิดอย่างสั้น คนที่มีบุญวาสนามีกิเลสตัณหาในดวงตานู่นเนี่ยอาจจะฟังรู้เรื่องก็ได้ลองบังดูบางีนะอันนี้โดยสมมุติเนาะที่นี่โดยประมติโดยประมัตผู้ได้เจ้าผูด้ได้กระามถ้าเข้าบรรลุธรรมเป็นบรรลุถึงอริย ส, สัจจะมีคุณสามประการหนึ่งมีบริสุทธิคุณจิตบริสุทธิ์และสองเกิดปัญญาคุณ สามเกิดกรุณาที่คุณในความการุณาเนี่ยมันอ้วงเมตตาไปนั่มแต่ผลบริวาพ่อเมตตานี่มันเป็นเหตุกรุณานี่นเป็นผลการกระทําลงไปเพื่อยันผลกรเวาในส่วนที่เป็นเป็นเหตุเป็นผลในตัวดังนั้นพระุทธเจ้าพนมีคุณตัวนี้อยู่แล้วคําว่าสามบดีพมนี่ก็หมายถึงว่าพมที่เกิดมาคุณธรรมของพุทธที่มาพร้อมกับความเป็นพุทธผู้ใดก็ตามเข้าถึงพุทธคุณสามอย่างนี่ต้องมานั่มกัน เป็นผู้บริสุทธิ์เป็นผู้มีปัญญาเป็นภูมีเมตตารู้หน้าอยู่ในใจิตใจถ้าบุคคลผู้นั้นเข้าถึงพุทธะแล้วผมต้องเกิดด้วยอัตโนมัติอันนี้โดยประมาทเพราะฉะนั้นตอนแรกคนเคยคิดมันหยาบแต่ว่าด้วยความเมตตารูา้หน้าก็เกิดตัวปัญญาขึ้นมาอ๋อเห็นว่าคนมันมีประเภทเหมือนกระดกบัวเนาะสีเหลาประเภทหนึ่งก็คือพ่นน้ำเ ม, มื่อไหเมื่อได้แสงพระอาทิตย์อาจจบาลได้ประเภทหนึ่งกําลังปิ่มนม้ำ มือเท่าไปกจจยาบาลได้ประเภทนึงก็อยู่กลางน้ำอีรออีชักเดือนสองเดือนอาทิตย์สองอาทิตย์กัจจยาบาลได้แต่เราที่ซีนี่บนในใจว่าแมนบอนั้นนะอยู่ในต่งนี่นะคนก็คิดถึงเนอ๋อคนก็คือกันบางคนสศริปัญญาดีบางคนเป็นสมาธิที่บางคนเป็นวิชฉาทิบางคนที่เรษฐปัญญาหน่อยก็แตกต่างกันไปเพราะเดือนเทาว่าออกไปคนที่มีเศรษปัญญาดีมีสมาธิที่อาจจะเข้าใจได้ตัวนี้เป็นพ้มแท้ๆพ้มในใจพ้มในจิตสานึกของคน เพราะฉะนั้นเป็นสองนัยยะท่าสามบริภมอาจจะมาจากสันภมอีลีก็ได้หรือบริภท่าสามบริภมแต่ว่าทําสามประการเกิดพร้อมกันสามปฏิแปลว่าคําที่เกิดพร้อมกันอยู่ในใจคือสามประการคือบริสุทธิคุณปัญญาคุณกัลณาที่คุณเกิดมาในใจของเพื่นแล้วเพื่อนก็เล็งเห็นแล้วก็เออสา ม, มารถจะสอนได้แล้วก็นึกถึงอาจารย์ทั้งสองอุตกาด า, า, าดาบทอาราธบทวอ้อปรากฏว่าเพื่นรับบ่ได้แต่ในคําพี่เพื่นว่าใจ แต่จรินมันตายจากการที่รับได้เพอื่นวตายแต่ความจริงอาจจะบุเรนตายก็ได้แต่พอถึงไปสอนอาจารย์อาจารย์ก็รับบดุร ด, ดอกอาจารย์จะสอนที่เรื่องนอกตูบไ่ไ ด, ด้สอนเรื่องในตัเพ้นก็เลยบุเรนไปพ้นเดยขึ้นถึงเป็นเจวะขี้มูของพ้นนะก็เลยปรากฏว่ามูพ้นก็รับได้หมดหมดแล้วหมดแล้วนะโอ้ถามจนมุดล๊อถามเ<า> <ๆ S 2> พื่อนนึกด้วยจะถามสักมดหนึ่บ่เดิมขึนนี่ก็ตอบมาหมดเลยนะเอาละนะมดอีรีเดชนี้ unfortunately c a n y o u get to mean what I say no. <laughs> very complicated for you i I have more time I will explain about it to you okay maybe tomorrow ก็ปรากฏว่าในเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องพื้นฐานที่ทุกคนก็คนเข้าใจถือว่าเป็นบูตุสุลนะถ้ามีเะนั้นแล้วเราก็จะไม่ได้ฟังในเรื่องเหล่านี้เราก็จะฟังในเรื่องปฏิบัติปัญหาขาใจหลายอย่างก็ได้รับการ ตอบสนองและเข้าใจวันนี้เป็นว่าเป็นการเคลียร์พื้นที่ก็ขออนุโมทนาสาธุในความตั้งใจของญาติโยมที่อดทนฟังแล้วก็สิ่งที่เราได้ถามได้ตอบเย็นนี้ถ้าจะเป็นประโยชน์แก่ชาวโลกพวกเราก็ามีส่วนร่วมในการที่จะเผยแพร่ธรรมะนี้เป็นธรรมทานออกไปและคาถามคาตอบนี้ก็อาจสามารถจะไปะดนลบันดาลให้ใครบางคนได้เปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจมาเป็นจากมิจฉาทิฐิ มาเป็นสมาธิก็ได้นั่นจะเป็นบุญกุศลแล้วก็ขออนุโมทนาทุกท่านที่ได้เข้าใจแล้วก็นําไปปฏิบัติด้วยการมาสู้ที่เหตุคือมักใแการทำสมถาวิปัสนาให้เกิดขึ้นในจิตใจใจแล้วก็จะหายสงสัยทุกอย่างทําให้เราต้องสามารถปล่อยวางและจิตใจของเราก็สงบเย็นโดยการทุกคนทุกท่านถือ เราไปเรากลับเราป้องกันเนาะ